เจริญพรท่านผู้มีจิตสัาธามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำความดีกันมาละการกระทาที่ไม่ดีกันา็มีศรัทธามีความเชื่อว่าคนเราจะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ฐานะเช่นไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา คนเราดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราเองอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาล่าชัยของเราเราเจงมาศึกษาวิธีทำความดีกันเพราะเราเชื่อว่าการทำความดีจะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความเจริญ วิธีที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเราจำเป็นจะต้องมีความเมตตามีความกรุณามีมูดิตาและมีอุเบกขาเพราะท่าใจของเรามีเมตตากรุณามูดิตาอุเบกขาแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดี ความเมตตาก็คือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะคิดดีกับเขาพูดดีกับเขาทำดีกับเขาเช่นเราก็จะคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้เขามีความสุขบ้างเช่นวันนี้เราคิดถึงพระสององค์เจ้าเราก็เลยนำเอากับข้าวกับปลาอาหาร ของขาวของหวานเริ่มใช้ไม้สวยต่างๆมาถวายให้กับพระภิกษุอันนี้ก็เป็นความเมตตามีความปรารถนาดีอยากให้พระภิกษุสงฆ์อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เลยคิดดีว่าวันนี้วันหยุดไม่ต้องทำงานต้องมาวัดต้องมาหาอาหารของขาวของหวาน ของที่จำเป็นต่อการํารงชีพมาถวายให้กับพระพอเราคิดดีแล้วเราก็พูดดีชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้มาร่วมกันทำบุญกันแล้วพอเราชวนกันแล้วพอถึงเวลาเราก็เตรียมตัวจัดข้าวจัดของออกเดินทางนำเอาข้าวของต่างๆมาถวาย ให้กับพระที่สูงเพราะเราได้ทําเสร็จก็ครบขรบวนการมีคุณธรรมคือมีความเมตตาทําให้เราคิดดีคิดดีแล้วเราก็พูดดีทําดีทําเสร็จแล้วเราก็มีความสุขใจของเราก็สูงขึ้นผู้ให้นี้เป็นผู้ที่จะมีจิตใจที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ให้ผู้ให้มีความเสียสละ ผู้ให้มีความหวังดีมีความปรารถนาดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอ น, นิสงของการมีความเมตตานี้จะทำให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์เทวดาคอยคุ้มครองปกป้องรักษาเราคนดีที่เขาพูดว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะความดีของเรา ไม่ใช่เพราะอะไรอย่างอื่นเพราะความเมตตาของเราเพราะการคิดดีพูดดีทำดีของเราจึงทำให้คนเขารักเราชอบเรานี่คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องทำให้เรามีความสุขมีความเจริญคนเราไม่ได้ดีเพราะว่าจบปริญญามาคนเราไม่ได้ดีเพราะว่าเป็นเศรษฐี มีเงินในทองกองเท่าภูเขาถ้าไม่มีความเมตตาก็ไม่สามารถจะคิดดีพูดดีทาดีได้จะคิดแต่เอาความปรารถนาความต้องการของตนจะเอาใจตนเองจะอยากทําอะไรตามใจอยากของตนทาไปแล้วจะให้ผู้อื่นทุกข์เดือดร้อนก็ไม่สนใจใหญ่ดีนี่ลักษณะของคนที่ไม่มีความเมตตา จะเห็นแก่ตัวจะคิดแต่เอาความสุขใส่ตัวจะไม่คิดถึงความสุขของผู้อื่นและเวลาหาความสุขถ้าไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ไม่สนใจ <c oughs> นี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีความเมตตาจะทำให้กลายเป็นคนไม่ดีไปได้ถึงแม้ว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมีปิญญาตรีโทเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าใจยังคิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่สามารถเป็นคนดีได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามพิจารณากันอยู่เนืองๆ เ, เวลาที่เราสวดแผแ่เมตตานี้ยังไม่ได้เป็นเวลาที่เราแผ่เรายังไม่ได้ทําอะไรการแผแ่เมตตาการสวดนี้ เป็นการสร้างคุณธรรมขึ้นมาภายในใจเตือนใจเราว่าต่อไปนี้เราต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นกับทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรือเทวดาทั้งปวงใครก็ตามถ้าเรามาพบปะพบเห็นเราจะให้ความเมตตากับเขาอันนี้เวลาสวดเป็นการซ้อมเป็นการทำการบ้านเป็นการเตือนใจ พอเวลาที่เราออกไปนอกบ้านหรือเวลาเราอยู่ในบ้านแล้วเราพบปะกับคนนั้นคนนี้เราจะได้ไม่แยกเคี่ยวใส่กันเราจะยิ้มให้กันเราจะคิดดีต่อกันนี่คือเรื่องของความเมตตาที่เราต้องสวดแทนเมตตานี้เป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องไม่มีเวรกับใคร สัตเวสัตตาอาเวลาโหดตุอย่ามีเวนกันเพราะการมีเวนกันจะทำให้มีสัตรูกันแล้วก็จะมีการจองเวนจองกรรมกันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นการจองเวนจองกรรมก็จะนำความทุกข์มาให้ต่อกันถ้าการไม่จองเวนกันก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการจองเวนแล้วก็จะทำให้ใจมีความ สบายมีความสุขไม่ต้องมาหวาดระแวงมาหวาดกลัวกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพราะเราไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครที่ท่านสอนในสวด ส, สัตเพสตาอเวราหหตุให้ท่านให้เราเข้าใจความหมายไม่ใช่สวดแบบนกแก้วสวดไปแล้วไม่รู้ความหมายเหมือนนกแก้วมันน้องแก้วจา๋าแก้วจา๋าพอเอาแก้วให้มันมนโยนทิ้ง มันจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋าแต่มันพูดมันล้อมกล้วยจ๋าไม่เป็นมันก็ล้อมแก้วจ๋าคนฟังก็คิดว่ามันอยากจะได้แก้วก็หยิบแก้วให้มันมันก็โยนทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้มันอยากจะได้กล้วยจ๋ากล้วยแต่มันพูดกล้วยไม่เป็นจันดยการสวดสเปสตาเวลาหนนตุวนี้ก็สวดให้เราเข้าใจว่าต่อไปนี้เราต้องไม่มีเวรมีกรรมกับใครใครก็จะทำอะไร กับเราดีชั่วขนาดไหนไล่กาดขนาดไหนเราต้องไม่จองเวรกันถ้าเราจองเวรเราจะสร้างไฟนรกขึ้นมาการจองเวร น, นี้จะทำให้เกิดความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทแล้วจะทำให้เหล่านี้เหมือนมีไฟลนก้นนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขใจเวลาร้อนนี้มันทำอะไรไม่มีความสุข จะกินจะนอนไม่มีความสุขถ้าไม่เอาน้ำของความเมตตาคือการไม่จองเวรการให้อภัยมาดับใจนี้จะไม่มีวันที่จะหาความสุขได้เราจะไม่สามารถรักษาความเป็นคนดีไว้ได้เพราะเวลาเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วจะต้องจ้องทำร้ายผู้อื่นทำร้ายคนที่เข้ามา ทำให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธการที่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้มาดับความโกรธความเครียดแค้นภายในใจของเราไม่ได้มาดับไฟนรกของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้อภัยอเวลาโหนตุอย่าจองเวรจองกันมพระพุทธเจ้าไม่จองเวรจองกรรมพระเทวทัต พระเทวทันนี้ก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายก็ยังมาพยานที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยตอบโต้เลยมีแต่แผ่เมตตาให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะเห็นว่าถ้าไปโกรธเขาก็ทำให้เราทุกข์ไปเป่าๆ แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะดีเขาชะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาละผลดีผลชั่วที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นกับจากการกระทำของเขาเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ผลกับเขาเขาทำดีเขาได้รับความสุขเขาทำชั่วเขาได้รับความทุกข์ไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปทุบตีเขาให้เสียเวลาเปล่า เพราะว่าผลของการทําดีหรือทําชั่วนี้มันมีผลอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปให้ผลเพิ่มเติมไปด่าเขาไปทุบตีเขา<ม>ก็จะทําให้เขาโกรธเกลียดเรากลับมาและเวลาที่เราเผลอเขามีโอกาสเขาก็จะมาทุบมาตีเราเอีกแล้วมันก็จะไม่มีวันจบพอเขาทุบตีเราเราก็โกรธเกลียดเขา เราก็กลับไปทุบตีเขาอีกก็จะตีกันไปตีกันมาฆ่ากันตายก็มีพอตายไปพบกันชาติหน้าก็เอากันอีกเนี่ยสังเกตดูคนเราเนี่ยเวลาเราเจอใครเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะชอบหรือเาจะเกลียดยมันฝังอยู่ในใจเรากิิยาอาการท่าทางนี้มันไม่เปลี่ยนคนเรานี่เวลาไปเกิดใหม่อาจจะเปลี่ยนร่างกาย แต่กิริยาการการพูดการกระทำนี้มันไม่เปลี่ยนมันไปกับใจพอมันไปอยู่ในร่างกายอันไหนมันก็จะแสดงกิริยาการแบบนั้นออกมาพอเราเคยเจอกิริยาการนี้มาก่อนเราก็จะรู้เลยว่าออคนนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาหรือคนนี้เป็นคู่บุญกันมาถ้าเจอคนที่เห็นปับ๊บแล้วชอบเลยรักเลยเนี่ยก็แสดงว่า เค ร, ร่วมบุญกันมาถ้าเจอคนไหนที่พอเห็นหน้าแล้วก็เกลียดเลยนี่แสดงว่าเป็นคู่กรรมคู่กัดกันมาดังนั้นเราต้องเลิกอย่าไปเป็นคู่กรรมคู่กัดกันด้วยการยุติการตอบโต้เราจะทำดีทำชั่วให้เชื่อหลักในกฎแห่งกรรมที่ว่าใครทำดีหรือทำชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมดีกรรมชั่วนั่นเอง ไม่ต้องมีมีผู้พิาพากษามาตัดสินไม่ต้องมีคุกมีตารางมันมีที่ไปของมันเองคนทำชั่วมันคุกตารางของคนชั่วก็คืออบายเดะชะานเปรตนรกนี่เป็นที่ไปของคนชั่วของคนไม่ดีของคนทำบาสนั่นเราอย่าไปทำบาเพื่อไปให้เขาได้รับผลจากการทำความชั่วของเขา เพราะว่าจะทำให้เราต้องไปรับผลบาปของเราต่ออีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องของความเมตตามีสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็ให้อภัยไม่จองเวรอีกลักษณะหนึ่งก็ให้ความสุขกับเขาอย่างที่ญาติโยมอานี้มาทำบุญให้ทานมาให้ความสุขแล้วอานิสงส์ที่จะได้รับก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่มีใครจะเกลียดคนที่ทำความดีเราทำความดีกับใครหรือใครมาทำความดีกับเรานี้เราจะทราบซึ้งในบุญคุณของเขาแล้วถ้าเรามีโอกาสที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ตอบแทนเขาได้เราก็จะคิดถึงเขาก่อนเลย<ม>เพราะว่าความดีมันจะเป็นเหตุให้เราคิดดีกับเขาถ้าเขามาทำไม่ดีกับเราเราก็จะคิดการไม่ดีกับเขา ดังนั้นถ้าเราทำความดีต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 2. เราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับจะมีความสุข 3. เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย 4. จะไม่ถูกฆ่าตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆ ก็ไม่มีใครจะมาคิดร้ายมาทำร้ายเราเราจะตายแบบธรรมชาติตายไปตามเวลาของมันเมื่อร่างกายถึงเวลามันหมดบุญก็ตายไปตามสภาพของมันแต่จะไม่ถูกเขามาฆ่ามาทิ้มมาแทงมายิงมาฟันเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความขรุขระเกรียดแค้นให้กับใครเราไปสร้างความสุขให้กับเขาอย่างเราถ้าคนมาให้ความสุขกับเรา เราจะไปคิดฆ่าเขาหรือเปล่าเราไม่คิดหรอกแต่ถ้าใครมาสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นแหละเราก็อยากจะฆ่าเขาขึ้นมาดังนั้นเราจะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆด้วยสารพิษยาพิษต่างๆแล้วถ้าเราตายไปเราก็จะไปสู่สุคติไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของความเมตตา ที่จะทำให้เราเป็นคนดีมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปก็ไปสวรรค์ไปสู่สุขตินี่คือข้อที่หนึ่งเมตตาข้อที่สองก็กรุณาการุณาก็คือความสงสารเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่าทำเป็นใจไม้ไส้ระกมทำเป็นมองไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ อันนี้แสดงว่าไม่มีความการุณาเวลาเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราพอจะช่วยเขาได้ทำไปเถิดเพราะทำแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราคนเราไ ม, ไม่แน่นอนชีวิตของเราวันนี้เราอาจจะสุขจะสบายแต่พรุ่งนี้อาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้แต่ถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเรา biliyor. นี่เราจะสร้างมิตรขึ้นมาสร้างเพื่อนขึ้นมาถ้าเราไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเราตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเรา <AS P. S 1> นี่คือความจริงทําอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาช่วยเหลือผู้อื่น mm. ผู้อื่นเขาก็จะมาช่วยเหลือเราไม่ช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่มาช่วยเหลือเราดังนั้น เวลาที่เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปแต่การช่วยเหลือนี่ก็ต้องเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้เขาดีขึ้นไม่ใช่ให้เขาเลวลงการช่วยเหลือแบบไหนที่ทำให้เขาเลวลงเช่นเขาอยากจะดื่มสุราไม่มีเงินซื้อสุรามาขอให้เราซื้อสุราให้เขาดื่มอย่างนี้อยากไปช่วยช่วยแบบนี้แล้วทำให้เขาเลวลง ทำให้เขาแย่ลงทำให้เขาติดอบา ย, ยมุกเล่นการพนันเงินหมดมาขอยืมเงินอย่างนี้อย่าไปให้เขาให้เขาหยุดเล่นถ้าให้เขาเล่นต่อให้ยืมเงินเขาไปเขาก็จะไปเล่นต่อเล่นหมดแล้วก็จะมาขอยืมมาอีกจะมาขออยู่เรื่อยๆถ้าเราจะให้เขายืมนี้เขาจะมายืมอยู่เรื่อยๆ ดัง น, นั้น <c oughs> <c oughs> การช่วยเหลือต้องช่วยให้เขาดีขึ้นไม่ใช่ทำให้ช่วยเขาเลวลงเช่นเขาไม่สบายไม่มียาไปซื้อยาให้เขากินอย่างนี้ช่วยแบบนี้ดีทำให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีที่อยู่อาศัยหาที่อยู่อาศัยให้กับเขาไม่มีเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าให้เขาใส่ไม่มีงานทำหางานให้เขาทา การช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือที่ทําให้เขาดีขึ้นทําให้เขาพึ่งตัวเขาเองได้ทําให้เขาไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือของเราอยู่เรื่อยๆเวลาเข้ามาขอเงินถ้าขอไปในใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ทําให้เขาดีขึ้นไม่ทําให้เขาช่วยตัวเองได้ก็อย่ากไปให้เขาแต่เขาขอเงินมาเพื่อไปเรียนหนังสือ ถ้าเรามีปัญญาที่สนับสนุนส่งให้เขาไปเรียนหนังสือได้ก็ส่งไปเพราะว่าพอเขาเรียนจบแล้วเขาก็จะได้มีอาชีพทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพึ่งตัวเขาเองได้ยังมีสุภาษิต ท, ที่ได้พูดไว้ว่าอยาให้ปลาเขาสอนให้เขาไปหาปลาดีกว่าถ้าเขารู้จักวิธีหาปลาแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาเราอยู่เรื่อย แต่ถ้าเราให้เขาปลาไปตัวหนึ่งพอเขากินหมดแล้วเขาก็จะกลับมาขออีกตัวหนึ่งเพราะเขาไม่รู้จักวิธีหาปลาต้องสอนให้เขารู้จักวิธีหาเงินหาทองเพื่อที่เขาจะได้เป็นที่พึ่งของเขาได้เช่นลูกของเราลี่อย่าให้เงินไปใช้โดยที่ไม่ทำให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมาเองให้เงินเขาเพราะเขาต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ ไม่ใช่ให้เงินเขาไปเล่นไปเที่ยวถ้าให้เงินแบบนี้เขาจะไม่มีความรู้เขาจะไม่รู้จักวิธีหาเงินหาทองพอเงินทองเขาหมดเขาก็จะมาขอเราอยู่เรื่อยๆต่อให้เลี้ยงไปจนอายุห้าสิบหกสิบเขาก็ยังต้องมาขอเงินขอทองเราอยู่เพราะเขาไม่รู้จักวิธีหาเงินหาทองของเขาเองแล้วถ้าเราตายไปจะทำอย่างไรเงินทองที่เราให้เขา ไม่นานก็ต้องใช้หมดหมดแล้วที่นี้จะทำอย่างไรก็ต้องไปขอคนอื่นขอคนอื่นก็จะไม่ได้เหมือนกับขอพ่อขอแม่ในที่สุดก็จะตกประการลำบากอยู่เป็นขอทานไปพ่อแม่เลี้ยงลูกต้องระมัดระวังอย่าเอาใจลูกโดยที่ทำให้เขาเสียนิสัยทำให้เขากลายเป็นคนเกียดคานทำให้เขาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถที่จะพึ่งตัวเขาเองได้ ต้องเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาพึ่งตัวเขาเองได้เพราะเราจะไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดนะสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไปถ้าเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ช่วยตัวเขาเองได้เขาก็จะไม่ต้องมาพึ่งพาเราเขาก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจากเขาไปนะนี่คือเรื่องของความกรุณานะสงสารนะเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกัน ข้อที่สามก็คือให้มีมุติตาคือเราต้องยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาคนอื่นเขามีความสุขกันเราอย่าไปอิจฉาริษยาเขาได้ดิบได้ดีอย่าไปอิจฉาริษยาคิดว่าเป็นบุญของเขาเขาทำอะไรไว้เขาก็ได้รับผลของการกระทําของเขาถึงแม้เขาจะเป็นคู่แข่งกับเราเราก็อย่าไป อิจฉาเขาเช่นเขาเปิดร้านข้างๆร้านเราแล้วขายเขาขายดิบขายดีกว่าเราเราอย่าไปอิจฉาเพราะความอิจฉาจะทำให้เราโกรธเขาเครียดเข า, ขเเขาแล้วอาจจะให้ทำให้เราไปทาในสิ่งที่ไม่ดีกับเขาแต่ถ้าเรายินดีว่าเออเขาทำดีเขามีความสามารถเขาก็ได้รับผลที่ดีจากการทำความดีของเขา เราไปแสดงความยินดีดีกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเผื่อเขาเห็นเราขายไม่ดีเขาอาจจะมาสอนวิธีบอกเราก็ได้ว่าวิธีที่ทำให้เขาขายดีนั่นเขาทำอย่างไรแทนที่เราจะมีศัตรูเรากลับจะมีเพื่อนบ้านแล้วจะมีเพื่อนที่จะมาช่วยเหลือเราแนะนําสอนเราให้เรารู้จักวิธี ทำมาหากินเพื่อเราจะได้ขายดิบขายดีได้นี่คือเรื่องมุติตาอย่าไปอิจฉาลิษยาอย่าไปกันแกล้งคนที่เขาเจริญกว่าเรารวยกว่าเราเราต้องยอมรับว่าคนเรามีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทำบุญมาไม่เท่ากันคนที่มีความรู้ความสามารถมากทำบุญมากมา มากจะประสบกับความสุขความเจริญมากกว่าคนที่ทําบุญมาน้อยกว่าคนที่มีความรู้ความฉลาดน้อยถ้าเราอยากจะมีความสุขความเจริญเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามทําบุญกันให้มากๆพยายามศึกษาหาความรู้หาความฉลาดเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขความเจริญกันนี่คือข้อที่สแล้วเราจะได้ไม่ไป คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับผู้คนที่เขาด้วยกว่าเราดีกว่าเราเราก็สแสดงความชื่นชมยินดีไปกับเขาแล้วเราก็จะได้มิตรแทนที่เราจะได้สัตจุแล้วข้อที่สี่ก็คือให้เรามีอุเบกขาให้รู้จักทาใจเฉยๆบ้างหยุดบ้างเวลาใครเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจเวลารักเขาพูดอะไรทำให้เราไม่พอใจ อย่าไปตอบโต้ด้วยการพูดไม่ดีกับเขาทำไม่ดีกับเขาเพราะจะเป็นการสาดโครนใส่กันแล้วในที่สุดก็จะสกระปรกไปด้วยกันทั้งคู่ถ้าเราต้องการรักษาความดีของเรารักษาความสะอาดของใจเราเราต้องทำใจให้คิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เขาจะพูดดีคิดดีทำดี หรือพูดร้ายคิดร้ายทำร้ายกับเราเราห้ามของไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปตอบโต้เขาได้ให้ทำใจเฉยๆยอมรับว่าอาจจะเป็นเรื่องของบุญของกรรมชาติก่อนอาจจะเคยไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเขามาพอชาตินี้เขาเจอเราเขาก็เลยพอเอาคืนเราก็คิดว่าใช้นี่ไปเราก็พูดโทรพูดโทรไปทำใจให้เฉยๆ เดี๋ยวเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไปเองไอเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปทำตัวเราเป็นเหมือนต้นต้นเสาเนี่ยถ้าเขาด่าต้นเสาด่าไปสักพักเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดด่าเองถ้าเราเฉยๆเขาจะด่าเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดเองเราสบายเราฟังได้อย่างสบายถ้าทนฟังไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปฟังเสียงของเขา ปล่อยเขาพูดไปถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับเสียงของเขามันก็เหมือนเสียงนกเสียงกาดีๆนี่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปคิดร้ายกับเขาพูดร้ายกับเขาทำร้ายเขาแล้วเราก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขและมีความเจริญนี่คือเรื่องของการสร้างความดีทำตัวของเราให้เป็นคนดี และททำให้เรามีความสุขและความเจริญเกิดจากการที่เรามีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาแล้วจะทำให้เราได้คิดดีพูดดีทาดีคิดดีพูดดีทําดีแล้วเราก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขและมีความเจริญอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวุทั้งหลายท่านมีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาตลอดเวลา ท่านจึงคิดดีพูดดีทำดีตลอดเวลาท่านจึงมีความสุขมีความเจริญตลอดเวลาพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำด้วยการสร้างความเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาแล้วเราจะได้คิดดีพูดดีทำดีกันจึงขอฝากเรื่องของการ มาสร้างความดีให้กับตัวเราด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้หน็บเมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศีรัตนตรัยและบุญกุศล